อุตั้งเวาวาเสียงราเจเรีย ใ, ใครมาไปที่รถไฟ เราเนล์รถไฟกันอาเรือนสุขสดใสฉัเรเิ่รจริง จ, จ, ง จ, ง จ, งจิงจริงจังสมเคยแ่งกับในเมล์มาสนุกพากันอาฮร้องรถไปสุขลำรทยเพลจงจิงจังพูดังปันปันังซ้รานแสนสุขจังชี้ชวนให้กันฟังดังมเรหลใจ ยงพูดคมสุขสันร้องในหัดไจกันมาเรื่องสุขสดใสจเจอกันเลยจริงจึิงจึงจังผสมขึน้นเพลงกับเ ร, เร่งไปลุกพ า, าหหกันอาเฮ่ร้องรุดไปสุขล้ำและไทยเพลินจึิงจึงจังพูดดังปังปังปา